กองทัพธรรมธรรมอิงชีพประวัติของท่านพระสารีบุตริระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่17เรื่องเมืองสาเจตความเมตตากรุณาของศิหเสนาบดีขุนพลแห่งนครภัยาลี ได้เป็นเครื่องประทับใจของสองพ่อลูกธนิยะและสุรเสนะให้จากไปด้วยความอาลัยและสำนึกในบุญคุณเป็นอย่างยิ่งขณะที่ขบวนกเกวียนเคลื่อนจากราชถานีของแควนวัชีออกไปเรื่อยๆในเวลาเช้าตรูนั้นธนิยะได้กล่าวขึ้นว่าดูก่อนสุรเสนะการที่สิหเสดระบดีสำแดงเมตตากรุณาต่อเราทั้งสองพ่อลูกเป็นพิเศษนี้อาจมองให้เห็น คติได้สองทางคือในฐานะที่เราทั้งสองฝ่ายเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ยสงบด้วยกันการติดต่อเอื้อเฟื้อผือแผ่กันก็ชื่อว่าเป็นไปโดยเหมาะสมแก่อัทยาศัยแต่ในฐานะที่สิหีหเสนาบดีเป็นขุนพลผู้รับผิดชอบต่อชีวิตและความ้าสุขแห่งประชาชนชาววัดชีทั้งหลายการที่สีหะเสนาบดีแสดงน้าใจไมตรีต่อเรานั้น เป็นวิธีการอันฉลาดเป็นทั้งเกียรติของวัดชีเป็นทั้งเครื่องป้องกันอันตรายอันอาจมีขึ้นได้ด้วยการลงทุนเพียงไมตรีจิตและสิ่งอื่นอีกเล็กน้อยก็ได้ผลสูงเกินทุนที่ลงไปการปราบศัตรูด้วยวิธีใช้เลือดเนื้อเข้าปราบกับการใช้เมตตากรุณาอันเป็นอาวุธชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาปราบนั้นย่อมมีคุณค่าเปรียบกันไม่ได้ต่างว่าเราชาวขับเวียน ไม่ใช่คนค้าด้วยใจซื่อหากแฝงการสืบข่าวสอดแนมเพื่อประโยชน์จกกกองทัพของแควนมคตไว้เบื้องหลังการที่เราจะกระทำอะไรลงไปให้เป็นที่เสียหายแม้แต่น้อยต่อแคว้นวัชชีนั้นบุญคุณและเมตตากรุณาของสิหเสนาบดีย่อมเป็นเครื่องกีดขวางให้เราลังเลหรือพลอยไฟสงบไปด้วยได้เพราะฉะนั้นเจ้าจงจำไว้เถิดว่าขึ้นชื่อว่าไมตรีจิต หรือเมตตากรุณาที่สแสดงออกด้วยความจริงใจนั้นย่อมใช้ได้เป็นประโยชน์ดีทั้งในทางส่วนตัวและในทางติดต่อระหว่างประเทศอันเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองภูมิประเทศจากแคว้นวัดชีสู่โกศลค่อยสูงขึ้นไปโดยลำดับ บางครั้งหมู่เกวียนต้องลัดเลาะไปตามเชิงเขาบางครั้งก็สู่ที่ราบมีละเมะไม้ขึ้นอยู่เป็นแห่งๆเมื่อเฉียงขึ้นไปทางด้านอุดรก็ได้พบว่าต้นไม้เบญจบพรรณต่างๆมีน้อยลงมีไม้เต่งไม้รังและไม้สักมากขึ้นพื้นดินบางแห่งก็มีสีแดงเข้มในที่ใดสะดวกด้วยน้ํามีเนื้อที่เหมาะสมแก่าการเพาะปลูกมี ล, าลําธารไหลผ่านมาแต่ภูผา ในที่นั้นก็มีหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายกันไปแต่ก็พอสังเกตได้ว่าพื้นที่ตอนใดควรจะทำนาได้แม้จะอยู่ไกลน้ำชาวนาก็พยายามสร้างคันนาสำหรับป้องกันน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวและทําเหมืองคือลำรางสำหรับขน้ำเข้านาต่อเนื่องมาจากลำธารถ้าน้ำมากก็ระบายออกถ้าน้ำน้อยก็ทดน้าในลาธาร ให้เออสูงขึ้นและส่งน้ําไปตามลํารางนั้นการทําไร่ฝ้าไร่อ้อยและข้าวโพดมีสลับไปเป็นแห่งๆโดยทั่วไปชาวบ้านไม่สนใจปลูกบ้านสร้างเรือนให้น่าอยู่เพียงแต่ทาเป็นกระท่อมมุงด้วยใบไม้บ้างกระท่อมดินบ้างบางแห่งก็อยู่รวมกันในกระท่อมนั้นทั้งคนและสัตว์โดยปกติกระท่อมที่สร้างขึ้นจะ เ, เป็นกระท่อมดินหรือกระท่อมมุงด้วยใบไม้ก็ตาม คงมิได้ยกพื้นได้แต่ปราบหน้าดินให้เรียบแล้วมีเตียงนอนตั้งบนพื้นดินอีกต่อหนึ่งที่สําหรับนั่งก็ต่อเป็นตังและเตียงนั้นถ้าหาไม้ปูพื้นได้ก็ออกใช้ไม้ถ้าไม่สะดวกนิยมใช้เชือกปอถักเป็นตาตาเกี่ยวโยงกันพอได้อาศัยนอนไปหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําซึ่งมีน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากก็มักปลูกยกพื้น และมีความเป็นอยู่ดีกว่าผู้อยู่ลึกเข้าไปในทุน่งนาป่าเขาเพราะอาจติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันทางเรือได้สะดวกหมู่เกวียนของทนิยะรอนแรมมาในระหว่างทางตัดผ่านเขตสักกะชนบทเข้าสู่แคว้นโกลสนจนกระทั่งบรรลุถึงเมืองสาเจต ห่างจากมหานครสาวัตถีเพียง6โยต์ในการเดินทางครั้งนี้มีภิกษุร่วมเดินทางมาด้วย27รูปนักบวชนิครนนอกพระพุทธศาสนาสองรูปธนิยะได้สั่งให้อาหารถวายบิธบาทยายภิกษุเหล่านั้นรวมทั้งนิคนสองรูปที่เข้าไปอาศัยร่วมเดินทางไปด้วยพุทธศาสนิกชนย่อมไม่ริษยาผู้นับถือศาสนาอื่นไม่ถือนักบวชหรือเครื่อหัดนอกพระพุทธศาสนา ว่าเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อนิครนสองรูปขอความช่วยเหลือธนิยะก็เอื้อเฟื้อเป็นอันดีทั้งนี้เพราะพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนเป็นผู้มีน้ำใจเผื่อแผ่เมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั่วไป ณเมืองสาเกตนี้ชาวขับเกวียนทั้งหลายได้ฟังข่าวเล่าหรือว่ามีนักบวชสตรีนุ่งผ้าขาวรูปร่างงดงามยากที่จะหาสตรีใดเปรียบปานท่องเที่ยวไปในคามนิคมชนบทราชธานีต่างๆแสดงวาทถาของตนต่อมหาชนอย่างอาหานพร้อมทั้งยินดีจะตอบ ป, ปัญหาทั้งปวง่มที่ใครจะถามหรือโต้ตอบด้วยนางเป็นผู้นับถือศาสนา ของพวกปริภาชกและเพราะเหตุที่เป็นสตรีคนจึงเรียกว่าปริภาชิกานางได้เดินผ่านเมืองสาเกตไปก่อนหน้าเล็กน้อยและเชื่อกันว่าขณะนี้คงกำลังแสดงวาทท่าอยู่ภายในกรุงสาวัตถีชนิยะได้สดับข่าวนี้ก็ เ, เว้นที่จะคำหนึ่งไม่ได้ว่านางได้พบพระบรมศ า, ศาสดาหรือสาวกองคใดองหนึ่งแล้วหรืออย่างหนอ แต่เมื่อไม่ได้ฟังข่าวว่าอะไรมากกว่านั้นก็ได้แต่นิ่งอยู่ด้วยความสนใจกำหนดเวลาที่จะพักอยู่ในเมืองสาเกตนี้มีเพียงสองวันเทนยะจึงแจ้งใจพิสุทังหลายที่ร่วมเดินทางไปด้วยว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าไม่รีบร้อนนะักก็ขอให้พักอยู่ที่เมืองสาเกตนี้ก่อนเพราะถ้าจะล่วงหน้าไปตามลาพังแม้จะมีหมู่บ้านในระหว่างทางบ้างก็อาจไม่สะดวกทั้งการเดินทาง ก็ต้องกินเวลาหลายวันในพิสูจเหล่านั้นรูปใดมีกิจธุระด่วนก็บอกลาล่วงหน้าไปก่อนรูปที่ไม่รีบร้อนก็ยังคงพักอยู่ในที่ไม่ไกลหมู่เกวียนนักยังเวลาให้ล่วงไปด้วยการไปเยี่ยมเยือนพระเถระในอารามต่างๆจนกว่าจะถึงกำหนดเดินทางของหมู่เกวียนทนิยะได้สั่งให้สุรเสนสังเกตลักษณะการค้าพอสมควรแล้วก็สั่งความข้อหนึ่งว่า ในเวลาก่อนค่ําให้ชวนชาวขับเกวียนคนใดคนหนึ่งไปเที่ยวเดินสังเกตสอบสวนให้รู้ลักษณะภูมิประเทศตลอดจนประวัติความเป็นมาของเมืองสาเจตกับทั้งความเป็นไปอันแผร ก, กว่าเมืองอื่นในปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้หัดหาความรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อได้เวลาสุรเสีนก็ชวนสองสหายหนุ่มผู้เคยร่วมเดินทางไปดูเทวาลัยณนะโกติค้ำด้วยกันให้ร่วมเดินทางไปด้วย แต่ออกเดินสังเกตและสนทนากับชาวบ้านอยู่สองสามวันเมื่อนำเรื่องมาติดต่อประกอบกับประวัติต่างๆที่ตนได้ฟังท่านบิดาบอกเล่ากล่าวสอนสุรเสนก็เริ่มเข้าใจว่าเหตุฉนไหนท่านบิดาจึงว่าเมืองสาเกตนี้มีเรื่องที่ควรสนใจเป็นพิเศษสาเกตเป็นเมืองใหม่ของแขวนโกศลการก่อสร้างอาคารและร้านตลาดทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระเบียบ และผู้ที่ปกครองเมืองนั้นแทนที่จะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์แต่กลับเป็นเศรษฐีผู้มีทรัพย์ยิ่งกว่าเศรษฐีใดๆแม้ในกรุงสาวัตถีราชธานีของแคว้นโกศลเองเพราะเมืองสาเจตนี้เป็นเมืองที่เศรษฐีสร้างขึ้นลักษณะการก่อสร้างต่างๆจึงดีกว่ามหานครเก่าแก่ทั้งหลายอันมีทั้งของเก่าของใหม่สลับซับซ้อนปนกันไม่มีระเบียบ สมัยหนึ่งพระเจ้าปเปเสนทิราชาแห่งแคว้นโกศลทรงรำพึงว่ากรุงสาวถีเป็นมหานครหลวงแห่งชนบทอันกว้างขวางมีนามกระเดื่องเป็นที่ยำเกรงของพระราชาใกล้เคียงทั้งหลายแต่ไม่มีเศรษฐีซึ่งนับว่ามีชื่อเสียงเท่าเทียมเศรษฐีบางคนแห่งเมืองอื่นๆเลยมีคาระเศรษฐีแห่งกรุงสาวถีราชชานีของแคว้นนี้มีทราบถึงสบโกรก็จริง แต่เมื่อเทียบกับเศรษฐีในแคว้นอังคามะคตของพระเจ้าพิมพิสารแล้ว40โกรนั้นก็คล้ายกับทรัพย์หยิบมือเดียวเศรษฐีอยู่ในเมืองใดการไปมาค้าขายหรือความเจริญในการงานก็เกิดขึ้นดังเงาติดตามตัวแคว้นอังคาและมะคตซึ่งพระเจ้าพิมพิสารทรงปกครองนั้นมีเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์ขนาดนับประมาณไม่ได้ถึงห้าคนคือโชติยะเศรษฐี ชติลาเศรษฐีเมนกะเศรษฐีปุณกะเศรษฐีและกากะวันลียาเศรษฐีเมือ่อแขวนโกศลและกาสีไม่มีเศรษฐีประปรบุญบา ร, รมีของพระราชาถึงขนาดแขวนอังคะและมะคธเลยจึงน่าจะเดินทางไปเจราจากับพระเจ้าพิมพิสารขอเศรษฐีเหล่านั้นสักคนใดคนหนึ่งไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในแคว้นของพระองค์พระเจ้าเปรสิธิกับพระเจ้าพิมพิสา ร, าสานนา ร, ราท ร, เรงเกี่ยวดองกันในฐานะ ที่ต่างฝ่ายก็ได้กนิถะพักินีของกันและกันเป็นอ克拉มเหสีเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกที่พระเจ้าประเสิทธิจะเสด็จไปเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารจนถึงกรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารทราบข่าวการเสด็จของพระเจ้าประเสิทธิก็ทรงจัดการรับรองโดยสมควรแจกขติยราชาประเพณีเมื่อทรงสนทนาปราศัยกันด้วยสารานิยกถาพอสมควรแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ตรัสเปิดโอกาส ให้พระเจ้าประส enti ส่งแจ้งพระราชประสงค์ในการเสด็จพระเจ้าประส enti ตรัสว่าในแว่นแขวนของพระเจ้าพิพิสารมีเศรษฐีผู้มีบุญมีทรัพย์นับประมาณไม่ได้ถึงห้าคนแต่ในแว่นแควนของพระองค์ไม่มีเลยจึงเสด็จมาเพื่อทูลขอสักคนหนึ่งไปไว้ในแควนโกศล พระเจ้าพิมพิาสารทรงพิจารณาดูถึงหลักฐานของเศรษฐีแต่ละคนในแคว้นมคตและอังคาแล้วก็ทรงรู้สึกว่าการจะให้เศรษฐีคนใดคนหนึ่งซึ่งล้วนตั้งหลักฐานมั่นคงมีบริษัทบริวารคนละนับด้วยจำนวนสิบสิบร้อยร้อยหมู่บ้านย้ายไปอยู่ยังแคว้นอื่นนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับการทำปตภีประเทศให้วันไหวเม <ME I S 1> <DO. S 2> ื่อทรงไตรตรองหาทางผ่อนพันก็ทรงพระราชดำริขึ้นได้ว่า เมนดกะเศรษฐีมีบุตรยูคนหนึ่งทนานชัยเศรษฐีถ้าเราเรียกมาปรึกษาบางทีอาจตกลงย้ายไปก็ได้จึงรับสั่งให้ตามทนานชัยเศรษฐีเข้าเฝ้าทรงเล่าเรื่องที่พระเจ้าประเสิทธิมีพระราชประสงค์จะได้เศรษฐีไปอยู่ในกรุงสาวัถีและพระองค์ใคร้ที่จะให้ทนานชัยเศรษฐีสนองพระราชประสงค์ในข้อนี้ทนานชัยเศรษฐีตอบด้วยคารวะในพระราชาว่าถ้ามีพระราชประสงค์เช่นนั้น ตนก็ยินดีจะสนองพระมหากรุณาในข้อนี้เมื่อเป็นที่ตกลงกันได้ดังนั้นธนัญชัยเศรษฐีก็เตรียมการเดินทางร่วมกับพระเจ้าประสิธิซึ่งพระเจ้าพิมพิสารก็เสด็จส่งจนถึงที่อันควรจึงได้เสด็จกลับขบวนเกวียนนับจำนวนไม่ถ้วนได้บรรทุกข้าวของเงินทองของธนัญชัยเศรษฐีคุ้มกันด้วยขบวนทหารของสองแคว้นรับส่งกันเป็นทอ ด, ทอด เดินทางไปจนถึงภูมิสถานตะบนหนึ่งมีลักษณะอันเหมาะท่านัญชัยเศรษฐีทราบว่าที่นี่เป็นของพระเจ้าประเส enti และอยู่ห่างจากสาวัตถีไม่กี่โยช์ก็ทูลขอตั้งนิวาสถานอยู่ณที่นั้นโดย อ, อ้างว่าผู้คนค่าทาสและทรัพย์สมบัติของตนมีมากไปอยู่ในเมืองสาวัตถีจะแออัดครับแคบไปพระเจ้าประส enti ท, ทรงอนุญาตแล้ว ก็ได้มีการสร้างเมืองสาเกตขึ้นด้วยประการรัชนีธ น, นชัยเศรษฐีเป็นบิดาของนางวิสาขามหาอุบาสิกาคนสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งในภายหลังได้สร้างวัดบุพพารามถวายองค์สมเด็จพระบ ร, รมศาสดาและมีอุปการราชแจพภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเป็นธรรมทาอยู่เองที่จะสร้างเมืองขึ้นใหม่และรู้อยู่ว่าตรงไหนจะใช้เป็นที่ทาอะไรเป็นอาคารสาหรับใคร ก็อย่อมทำได้อย่างมีระเบียบมีแนวเค่สถานและถนนหนทางอันจัดทำไว้ดีประกอบกับเป็นเมืองที่เศรษฐีคนสำคัญปกครองอยู่ด้วยการค้าขายและการประกอบอาชีพต่างๆตามความเหมาะสมแสก่สกุลช่างซึ่งธนันชัยเศรษฐีได้พา อ, อพยพมาด้วยก็เจริญรุ่งเรืองถึงขนาดที่ขบวนเกวียนบรรทุกสินค้าหรือคณะนักฟอนจะพึงแวะเวียนไปมาอยู่มิขาดการขายเครื่องหอม และผ้ากาสีของธนิยะก็ปรากฏว่าได้กำไรดีทุกครั้งที่ขบวนเกวียนแวะเวียนมาธนิยะพอใจข้อสังเกตและความรู้เรื่องเมืองสาเกตเท่าที่สุรเสณารวบรวมได้มาในเวลาอันสั้น แต่ข้อสังเกตที่ธนิยชมเชยว่าสุรเสนได้มาดีเป็นพิเศษก็คือประชาชนในเมืองสาเกตไม่เกียดคร้านทำการงานเป็นผู้ขยันขันแข็งรู้จักครองชีวิตโดยเหมาะสมธนันชัยเศรษฐีเล่าก็รู้จักฐานะของตนด้วยการประกอบการทำนาและค้าขายแบ่งแยกหน้าที่ให้เสมียนจัด ก, การควบคุมทาให้การงานเป็นไปนด้ดีทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตน และเพื่อส่งเสริมการอาชีพของบริวารชนหมู่ภิกษุสาวกของพระบรมศาสดาก็มีมาตั้งสำนักอยู่นอกและสั่งสอนประชาชนให้รักษาความขยันหมั่นเพียรและดำรงชีพโดยธรรมไว้เป็นอันดีเมืองสาเจตจึงรุ่งเรืองทั้งด้วยทรัพย์ทั้งด้วยคุณธรรมดังกล่าวมาข้อที่ทนิยะได้เตือนสุรเสนะก็คือว่าดูก่อนสุรเสนะ เจ้าจงจำไว้เถิดว่าความอุตสาหะขยันมันเพียรไม่เกียดติคร้านนั้นย่อมเป็นของเคียงคู่กับความเจริญรุ่งเรืองใครก็ตามเมื่อมีความเพียรเป็นทุนแล้วผู้นั้นย่อมหวังความเจริญได้แท้แต่ความเกียดคร้านย่อมเป็นของคู่เคียงกับความทุกข์ยากและความพลาดหวังเหตุนี้เจ้าจงสำเนียกในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาข้อนี้ไว้ hay trồng g i